วันนี้หลายคนก็จะได้กลับบ้านแล้วหลายคนก็คงจะรอวันนี้แหละนะวันที่เราจะได้กลับบ้านมาอยู่วัดมาหลายวันแล้วแต่ก็ให้เราตระหนักณนะบ้านที่เราเราอยู่ เป็นบ้านที่ก่อด้วยอิฐนะทำด้วยปูนมันเป็นบ้านของกายเท่านั้นนะอิฐปูนกำแพงหลังคาของบ้านเรานะที่เราเราอยู่เนี่ยมันช่วยปกป้องนะร่างกายให้พ้นจากแดดจากฝน จากลมพายุแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะบ้านของใจด้วยบ้านที่เราเราอยู่เนี่ยมันเพียงแต่ปกป้องรักษากายเราเท่านั้นแต่มันยังรักษาใจของเราไม่ได้ มันให้ความสุขสบายทางกายพอติดแอร์ติดพัดลมนะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายแต่มันยังให้ความสุขทางใจนะไม่ได้ไม่ได้เต็มที่บางที อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ทางใจด้วยซ้ำนะเพราะว่าวิตกกังวล ว, ว่าบ้านนี้นะยังผ่อนไม่เสร็จหรือว่าหลังคารั่วกังวลนะบางทีก็รู้สึกว่าบ้านเรามันไม่สวย มันไม่งดงามเท่ากับของพี่น้องหรือของเพื่อนบ้านให้บ้านทางกายเนี่ยมันยังไม่สามารถจะให้ความสุขใจกับเราได้อาจจะให้ความสะดกสบายทางกายได้มากมายก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีบ้านทางกายรออยู่ ก็อย่าลืมบ้านของใจด้วยนะถามตัวเองว่า เ, เรามีบ้านของใจหรื อ, อยังนะบ้านของใจเนี่ยนะถ้ามีแล้วนี่ประเสริฐมากเลยนะเพราะว่าจะตามเราไปทุกแห่งเลยบ้านของกายเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายตามเราไปได้ บางคนก็คิดถึงบ้านเนี่ยไอ้ความคิดถึงบ้านเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นบ้านที่สร้าง้วยอิฐสร้าง้วยปูนนะมันอยู่กับที่นะไม่สามารถจะตามไปคุ้มครองให้ความสุขกับเราได้นะ มีนาซ้ำในบ้านของกายเนี่ยนะวันดีคืนดีก็อาจจะมีคนยึดไปก็ได้อาจจะกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้นะตกเป็นของธนาคารบ้างนะหรือไม่เช่นนั้นก็ตกเป็นของคนอื่ น, นที่เข า, าคดโกง แต่บ้านของใจเนี่ยนะมันไม่มีใครออกไปได้นะถ้ามีแล้วนะถ้าพบแล้วนี่มันไม่มีใครออกไปได้แถมยังจะตามเราไปทุกที่นะมาวัดนะก็รู้สึกอบอุ่นเข้าป่าก็ยังอบอุ่นนะ ไปต่างประเทศก็ไม่รู้สึกว้าวเวไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยก็ยังรู้สึกอบอุ่นบ้านของใจเนี่ยสำคัญมากนะแต่คนไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่เรามานี่คงจะเห็นความสำคัญนะ บ้านของใจเนี่ยที่จริงเราทุกคนก็มีอยู่แล้วนะกายนี่แหละนะมันเป็นบ้านของใจที่เราไม่เคยรู้จักแต่มาปฏิบัติที่นี่ก็คงจะเห็นแล้วนะว่ามันเป็นบ้านของใจได้นะนั่นเป็นบ้านที่อยู่กับเราตลอดเวลา ทำกายให้เป็นบ้านของใจนะใจเราจะได้ไม่ระหกระเหินบางครั้งใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับคนเร่ร่อนคนไร้บ้านคนไร้บ้านนี่น่าสงสารนะเรียกว่ากระเซาะกระเซิงไป ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างไม่มีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ในความเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาใจของเราเนี่ยเป็นอย่า ง, งานั้นซีเยอะนะไร้บ้าน ใหม่ๆก็คล้ายๆกับเด็กใจแตกกันนะคือชอบท่องเที่ยวนะเด็กใจแตกนี่ไม่อยากอยู่บ้านนะนะทีแรกก็สนุกดีใจนะเออได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านนะทีแรกก็เพลินนะนะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เที่ยวแล้วนะมันกลายเป็นกระสซะกระเซิง ไม่รู้ว่าจะาหาที่พักพิงอย่างไรมันเที่ยวไปไหนนะก็เที่ยวไปนะท่องไปในอดีตนะทีแรกก็อาจจะท่องไปนะไปยังเหตุการณ์ที่เป็นความสุขให้ความสุขสนุกสนานรื่นเริง แต่เผอแป๊บเดียวมันพลัดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เจ็บปวดนะที่เราต้องพัดพลากสูญเสียนะถูกโกงถูกทรยศถูกต่อว่าด่าทอหรือเหตุการณ์ที่เราทำความผิดพลาดบางอย่างกับผู้มีพระคุณอนะุปการี ก็เลยเกิดความโกรธความเศร้าโศกเกิดความเสียใจเกิดความรู้สึกผิดนะแล้วก็จมหลงอยู่ในอารมณ์นั้นแหละนะไม่สามารถจะกลับมานะอย่าง ท, ที่อบอุ่นปลอดภัยมั่นคงได้แต่ถ้าเรานะ รู้แน่แก่ใจว่าเออมีบ้านของใจนะไปยังไงเนี่ยมันก็กลับมากลับมาแลวถ้าหากว่าฝึกให้ใจเนี่ยนะคุ้นชินกับบ้านเนี่ยบ้านของกายนะไม่ว่าตัวอยู่ไหนนะใจก็อยู่ตรงนั้นแหละจะรู้สึกอบอุ่นจะรู้สึกปลอดภยัยจะรู้สึกมั่นคง ในภาวะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพราะมีความรู้สึกตัวนะเมื่อเราก็ตามที่ใจเรามาอยู่กับกายนะมันจะเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดความโปร่งความเบาอยที่เราฝึกมานะ67วันเนี่ยก็ฝึกเพื่อให้ใจมาอยู่กับกายนะเวลากายทาอะไรนะใจก็รับรู้ว่าอ๋อนะกำลังยกมือนะกำลังเดินจงกรมนะกลัง ถูฟันนะกำลังอาบน้ำนะมันเกิดความรู้สึกตัวในขณะที่ทํากิจต่างๆอันนี้เรียกว่าใจเนี่ยมันมาอยู่กับกายอันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเอากายมาเป็นบ้านของใจแล้วถ้าใจอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยนะอย่างต่อนเนื่องนะไม่เป็นเด็กใจแตกนะก็จะใจิตใจก็จะเบานะไอ้ความเศร้าความโศกความอะไรอาวรณ์ความโกรธ นะความพยาบาทความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็จะมารบกวนะจิตใจไม่ได้บางทีมันล่อนะมันมาล่อมามาหยอะมาหลอกนะมันมาล่อมันหลอกถ้านะคนเราก็ถ้าไม่มั่นคงในบ้างตัวเองนะถ้าใจมันไม่อยู่กับกายนะมันก็จะหลงเชื่อนะ โจนเข้าหาความเศร้าโจนเข้าหาความโศกความโกรธความอะไรเอาวรทั้งทั้งที่มันไม่น่าจะโจนเข้าหาเลยนะแต่ใจนี่มันก็อดไม่ได้ที่จะโดดเข้าไปเพราะว่าลืมตัวเพราะเผลอหรือว่าเพราะหลงก็ตามความเจ็บความป่วยก็เหมือนกันนะ ไม่มีใครชอบนะความเจ็บความปวดหรือแม้แต่ความเมื่อยแต่พอเกิดขึ้นทีไรนะใจมันก็โจรเข้าไปหาช่างนั่งคิดเป็นแค่ปวดกายคล้ายๆกับว่ามันมาล่อมาหลอกนะอยู่หน้าบ้านนะไอ้ความปวดมาล่อมาหลอกให้ใจมันก็เผลอนะโดยเข้าไปเข้าไปในความปวด แทนที่จะปวดแต่กายมันก็เลยปวดใจด้วยนี่เพราะความหลงเพราะว่าการที่ไม่มั่นคงนะอยู่ในบ้านนะของใจเวลาเจ็บเราปวดนี่นะเออมันปวดที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะเราก็จะแค่เห็นความปวดเกิดขึ้นนะมันไม่เข้าไปในความปวดอันนี้เพราะว่า ใจนี่มันมีหลักนะมันมีมีหลักยึดนะหลักยึดก็คือกายนั่นแหละบางคนก็ใช้ลมหายใจนะเป็นเครื่องอ่เป็นเป็นหลักยึดของใจใจมันอยู่กับลมหายใจมันก็ไม่โดดเข้าไปจดจ่อปักตรึงอยู่กับความปวดที่ท้องหรือว่าที่แขนที่ขาหรือบางคนก็ใช้นะอ่าความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเมื่อ คลึงนิ้วนะพลิกมือไปพลิกมือมาหรือว่ายกมือเนี่ยใจมันอยู่ตรงนั้นอ่ะนะตรงนั้นแต่เป็นหลักยึดนะมันก็ไม่โจนเข้าไปจมปลักหรือว่าจดปักตึงอยู่กับความเจ็บความปวดกายปวดก็ปวดไปนะท้องปวดก็ปวดไปนะแต่ว่าใจไปปกติเพราะว่ามีหลักมียึดหรือผู้อื่นอันนั้นคือมีบ้านนะมันอยู่ในบ้านมันไม่ออกมาเพ่นพ่านนะไม่หลงเชื่อ ไอ้ความปวดที่มามาเย้ามายวนนะมาชวนมาชวนนั่นมาชวนให้ใจทุกขนะ์มันไม่มีอะไรไม่มีใครในที่ทำให้มาบังคับใจให้ทุกข์ได้นะลองพิจรารณาดูดีไม่มีอะไรไม่มีใครที่มาบังคับใจให้เป็นทุกข์ได้นะมันมีแต่มาชวนนะมาหลอกนะมาเชิญให้เราเป็นทุกข์ ให้เราไม่พอใจให้เราโกรธนะไม่ว่าจะเป็นคำดา่านะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความปวดที่กายไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศคาต่อว่าด่าทอของผู้คนอันนี้มันไม่สามารถบังคับยัดเยียดให้เราทุกข์ได้มันมีแต่มาชวนให้เราทุกข์ให้เราโกรธให้เราโมโหให้เราทุรนทุราย แต่ถ้าเราไม่รับคําชวนไม่รับคําเชิญนะไม่หลงเชื่อคําการหลอกการล่องมันนะมันมาชวนอยู่หน้าบ้านเราก็ไม่ออกจากบ้านยังอยู่ในบ้านอยู่ก็คือยังอยู่กับกายนะจะทุกข์ได้ยังไงนะขณะที่เขาต่อว่าดาทอเราเออใจเรามาอยู่กับลมหายใจบางใจเรามาอยู่กับกับกายนะพลิกมือไปพลิกมือมามันใจจะทุกข์ได้ยังไงนะ กับเสียงด่าที่มากระทบหูนะเพราะว่าใจไม่ไปประสมรงใจไม่ยอมออกไปนะให้เขาหลอกให้เขาลอ่ใาลอให้เขาทําร้ายนะพยายามหาบ้านนะพยายามชวนนะให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่บ้านพอใจในการอยู่บ้านนะอยู่กับกายจริงบ้านจริงๆเนี่ยคือปัจจุบันขณานะ ปัจจุบันขณะบางครั้งเราก็อาจจะมีอะไรให้ต้องทำํำนะมีงานต้องทํากวาดบ้านถูพื้นล้างจานหรือว่าคิดงานคิดการนะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นงานที่เรากําลังทำํำนะเป็นงานที่เราสมควรทําต้องทำเนะี่ยมันก็เรียกเป็นปัจจุบันได้เมื่อใจอยู่กับปัจจุบันนะใจก็จะปลอดภัยนะ เป็นสุขสงบเย็นไอ้ที่ทุกทุกวันนี้พอใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันนะมันไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้างนะแล้วก็หลงนะอยู่ในวังวนนะแห่งอารมณ์พอพอคิดถึงอดีตก็เศร้าโศกโกรธแค้นอะไรอาวร์รู้สึกผิดพอไปนึกถึงอนาคตนึกไม่เป็นนะมันก็เกิดความกังวล กลัววอนกลัววายเกิดความกลัวลองดูนะเวลาเรากลัวเวลาเรากังวลเวลากระวนกระ ว, วายนะก็เพราะใจมันเป็นนึกถึงอดีตเอาเป็นนถึงอนาคตแล้วมันก็ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้มันโง่หลงวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องรู้จักหาใจให้เจอนะพาใจกลับมาบ้านมีบ้านของใจแล้วนี่ก็คือกายคือปัจจุบันขณะแต่ว่าใจมันกลับบ้านไม่ได้ มันหลงวนอยู่ในอยเร า, าหลงป่าหลงทางก็ได้นะป่าอารมณ์นะอารมณ์เศร้าโศกเสียใจโกรธนะเหมือนกับเด็กหลงทางเด็กหลงป่าเนี่ยนะพ่อแม่ต้องไปตามนะไปตามให้กลับมานะ ใ, ใจเราก็เหมือนกันนะมันหลง ขณะที่พูดอยู่นี้ใจบางทีล้วก็หลงไปแล้วนะหลงไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างพาใจกลับมาพาใจกลับบ้านอะไรที่จะพาใจกลับบ้านคือสติสตินี่เป็นตัวที่ฉลาดนะในการตามหาใจถ้าเราฝึกสติดีดดๆก็จะตามหาใจได้เก่งมากเลยใจมันหลงอยู่ในอดีตอนาคตะจะอยู่ในป่าอารมณ์ที่มัน ซับซ้อนลึกลับยังไงเนี่ยสติก็มีปัญญาหาเจอนะแล้วก็พากลับมาสู่บ้านนะบ้านของใจนะฝึกสติเอาไว้นะฝึกสติเอาไว้นะไอ้สติที่เรามีอยู่เนี่ยนะในชีวิตประจำวันเนี่ยหรือก่อนที่มาปฏิบัติเนี่ยนะมันเป็นสติที่งุ่ม ง, งามนะไม่ฉลาดในการหาใจนะ ให้เจอได้นะใจก็โจมอยู่ในนะความคิดในอารมณ์ตัวบางทีออกมาไม่ได้นะออกมาไม่ได้คือเป็นบ้าคุ้มครั่งบางทีก็ออกมาได้เป็นพักๆนะมีบางคนก็ไม่ได้บ้าตลอดไม่ได้วิกลจริตตลอดก็พอรู้ตัวบ้างนะเสร็จแล้วก็หลงเข้าไปนะเข้าไปในอารมณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตรวมทั้งหลงอยู่ในโลกที่ปรุงแต่งขึ้นมามโนทั้งนั้นแหละซึ่งปกติเราก็มโนอยู่แล้วนะเรามโนเวลาเราหลับนะก็เราเรียกว่าความฝันแต่เราฝันยังไงยังไงเราก็ตื่นนะตื่นมาแล้วก็อากจากความฝันแต่คนบางคนเนี่ยเขาอยู่ในโลกแห่งความปรุงแต่งมันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดามั น, นฝันร้ายด้วยออกมาไม่ได้นะ วิธีเดินที่เขาคิดว่าจออมาได้เนี่ยหรือว่าจะฝันร้ายจะหมดไปก็คือค่าตัวตายนะทษไม่ไหวแล้วมันเลวลร้ายเหลือเกินบางทีมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ฝันร้ายที่เกิด ท, ที่เกิดจากการมโนคิดอะไรต่างๆแต่มันเป็นอารมณ์อย่างเช่นผู้ที่ตกอยู่ในโรคซึมเศร้าเนี่ ย, ยมันเป็นภาวะอารมณ์ที่เขารู้สึกทรมานมาก ออกมาไม่ได้ออกมาได้นิดหน่อยแล้วก็ถูกมันล่อร้อยเข้าไปใหม่นีสุดท้ายก็เลยต้องนะกินยาค่าตัวตายผูกคอตายบ้างเพราะคิดว่านั่นแหละคือทางเดียวที่จะออกมาหรือหลุดจากภาวะนั้นได้แต่จริงๆไม่ต้องทําขนาดนะั้นหรือไม่มันไม่ใช่วิธีที่ดีเลยนะถ้าเพียงแต่มีสติเนี่ยสตินี่แหละมันจะพาจิตที่มาหลงอยู่ในเขาวงกฏนีอยู่ใน ป่าที่ลึกรับซับซ้อนออกมาได้ออกมาที่ไหนออกมาอยู่กับอยู่กับกายนะเราชวนให้คนที่มีตกอยู่ในภาวะเหล่านั้นเนี่ยนะให้ทำอะไรก็ได้นะที่มันที่มันเป็นการใช้กายเช่อนออกกำลังกา ย, ยาเวลาออกกำลังกายเนี่ยก็ให้ใจอยู่กับการออกกำลังกายให้ทําสวนทำอะไรก็ได้ก็ตามที่ใช้กายนะและให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกาย ก็คือว่าให้ใจมันมีบ้านในะหม่ๆใจมันก็ไม่ไม่ไม่อยากอยู่บ้านนะมันอย่างที่ว่าคือไม่นเด็กใจแตกหรือไม่ก็ถูกล่อถูกหลอกนะจากวิชาชีพที่มันมาชักชวนอยู่หน้าบ้านนะก็หลอกทุกทีหลอกทุกครั้งก็ไปทุกครั้งนะแต่ว่าพ อ, อมีสติแล้วเนี่ยนะแล้วก็ กลับมาอยู่บ้านบ่อยๆก็จะเกิดฉันทะมีความพอใจในบ้านพอเราเนี่ยถ้าสร้างฉันทะคือความพอใจในการที่ใจเนี่ยมาอยู่กับกายได้นะใจมันจะมั่นคงปลอดภัยมากนะใจจะฉลาดด้วยมีฉันทะนะเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินตรงกลมเวลาครึงนิ้วเวล า, าพลิกมือไปพลิกมือมา สังเกตนะใหม่ๆใจมันไม่อยากจะอยู่หรอกมันไม่ชอบที่จะอยู่อยู่บ้านนะมันอยากจอดอไปเที่ยวแต่ทําไปทําไปเนี่ยเขาจะชอบเพราะว่าอยู่แล้วเนี่ยใจอบอุ่นใจรู้สึกมั่นคงใจรู้สึกปลอดภยัยใจรู้สึกเบาสบายสงบเย็นตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดฉันท่าขึ้นแต่ต้องทําให้เขาสวยเป็นบ้านจริงนะบ้านก็คือที่ที่เขามีอิสระที่จะออก บ้านเนี่ยคือที่ที่เรามีอิสระที่จะมาอิสระที่จะไปได้ถ้าว่าถูกบังคับให้อยู่ตรงนั้นไม่เรียกว่าบ้านแล้วมันจะเป็นคุกแทนถ้าเราบังคับจิตให้อยู่กับกายนะพยายามบังคับไปจิตอยู่กับลมหายใจพยายามบังคับไปจิตอยู่กับมือด้วยการเพ่งมันโดยการบังคับจิตให้อยู่กับเท้าเนี่ บังคับจิให้อยู่กับคําบริกรรมนีอันนี้เนี่ยจิตจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่บ้าแล้ว น, นี้คือคุกแลนะคุกก็คือที่ที่ไม่มีสระที่จะไปที่จะมามันสบายแค่ไหนนะมันก็เป็นแค่กรงทองนะสำหรับนกนะนกทุกตัวเนี่ยกรงทองนะกรงเพชร น, นะมันก็ไม่มีความหมายนะ เพราะว่ามันไม่มีอิสระไม่มีเสรีภาพมันจะไม่เรียกโรงท้องว่าบ้านเด็กขาดน ะ, ะ, ะมนุษย์เราก็เหมือนกันนะอะไรก็ตามที่ถูกบังคับให้อยู่ตรงนั่นตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่บ้านกายเนี่ยมันจะไม่ใช่บ้านของใจใจกลายเป็นคุกไปต้องให้อิสระนะกับใจที่จะออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความสุขกัการที่อยู่กับกายาก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ ไม่อยากที่จะออกไปวิธีการฝึกให้ให้ให้มีสตินะที่รวดเร็วฉับไวในการพาใจเนี่ยกลับมาอยู่บ้านและพอใจในการอยู่บ้านคืออยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันก็มีหลัก ง, ง่ายๆนะคือว่านะเวลาทําอะไรก็ทําทีละอย่างนะ ท, ทําทีละอย่างเวลาอาบน้ำนะก็อาบน้ําอย่างเดียวนะ ไม่ต้องคิดโน่นคิดนี่เวลากินข้าวก็กินข้าวอย่างเดียวนะไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องเปิดไลน์ไม่ต้องเล่น a c e b o o k หรือว่าไม่ต้องคิดงานคิดการนะเวลาเดินขึ้นบันไดเวลาเดินไปหน้าปากซอยก็เดินอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดอะไรนะตรงนี้แหละที่จะทำให้ใจเนี่ยนะมันอยู่กับกายได้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น ทุกวันนี้ปัญหาคนเราคือว่าทำหลายอย่างพร้อมกันนะขณะที่อาบน้าก็คิดนะทำเมนูอาหารแล้วเออวันนี้จะจะทำอะไรเลี้ยงลูกดีวันนี้จะทาอะไรถวายพระดีนี่เราทำสองอย่างนะเวลากินข้าวก็คิดไปด้วยนะวางแผนเรื่องงานเรื่องการนะเวลาทำงานแทนที่จะทำงานเฉพาะหน้าก็คิดถึงงานชิ้นอื่นด้วย เราจะมีงาน10บชิ้นหรือว่ายีชิ้นก็ตามที่คาอยู่เวลาทํางานอะไรก็ตามก็ทํางานแต่ชิ้นนั้นแหละนะ ท, ทําทีลบอย่าง ท, ทําทีละชิ้นนะอันนี้เป็นวิธี ง, ง่ายๆนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ชอบทําอะไรที่มันง่ายเราชอบทําอะไรที่มันยากนะก็เลยทําหลายอย่างพร้อมกันนะเวลาทํางานก็นึกถึงลูกไปด้วยนะเวลาอยู่กับลูกก็นึกถึงงาน มันก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างลองฝึกดูนะใหม่ๆใจไม่ชอบหรอกเพราะว่าใจมันถนัดในการที่ทำหลายๆอย่างบางทีนะทํางานไปก็บ่นไปก็มีอันนี้ก็เรียกว่าทํำหลายอย่างพร้อมกันนะทําไปบ่นไปทําไปบ่นไปบ่นใครบ่นเพื่อนบ่นเจ้านายอันนี้ก็ถือว่าทำสองอย่างนะแล้วก็เลยเหนื่อยสองอย่างเลยเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยใจด้วย ถ้าทำถ้าทําทีลรอย่างนะั้นทำไปใจไม่บ่นนะใจก็อยู่กับงานคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะอู้งานหรือไม่เจ้านายก็จะไม่เป็นทำม า, มาให้งานชิ้นนี้กับเราคนอื่นไม่ให้ก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อเราต้องทําแล้วก็ใจเราก็อยู่กับงานชิ้นนั้น ท, ทานะําทีลรอย่างนะทําไปบ่นไปเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายนะขับรถก็ หุดหงิดไปด้วยนะขณะที่ขับรถเนี่ยใจยมันก็ไปคิดถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าแล้วนะว่าเออจะไปถึงที่ทํางานทันไหมจะไปประชุมทันหรือเปล่าตกเครื่องบินไหมจะไปส่งลูกทันเวลาไหมนะนี่เรียกว่าทำสองอย่างแล้วนะนะทาแค่ทีระยพระพอคือขับรถก็ขับรถนะไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดแม้กระทั่งว่าเอจะ ทอดกระถินปีหน้าที่ไหนดีนะจะไปสร้างวัดที่ไหนดีปีหน้าบางคนขับรถไปก็วางแผนแล้วเรื่องการทำบุญทอดกระถินนะหรือว่าเรื่องการทำบุญถวายในหลวงการทำบุญถวายในหลวงเนี่ยดีนะหรือว่าจะทอดกระถินก็ดีแต่ว่าควรจะคิดเมื่อเมื่อเรามีเวลาที่จะคิดนะถ้าจะคิดก็ให้นั่งคิดนะ นะคิดด้วยใจเต็มร้อยเลยแล้วก็ไม่บอกแวกไม่ใช่คิดเรื่องทอดกฐินเรื่องทำบุญเดี๋ยวเผลอนะแวบบไปคิดเรื่องการเรียนของลูกอันนี้ก็เรียกว่าทํา2ยามกันนะแทนที่จะคิดเรื่องเดี๋ยวคิดหลายคิดหลายเรื่องพร้อมกันเลยนะหลายคนก็เป็นอย่างนี้คือมันคิดจับจดนะหรือบางทีก็เรียกว่าคิดเรี่ยราดนะแต่ขณะที่ขับรถนี่ก็จะคิดเรื่องอะไรก็ไม่ไม่ควรนะนะลองฝึกดูนะขับรถเนี่ยก็ขับรถอย่างเดียวนะ อาจจะเปิดเทพธรร ม, มะฟังบ้างก็เเพื่อเตือนสตินะให้ใจกมันอยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ใช่ไปฟังเทพธรร ม, มะขณะขับรถนะฟังด้วยใจที่จดจอนี่มันก็ไม่ได้นะนะแม้แต่เวลาฟังธรรมนี่ก็ฟังธรรมอย่างเดียวนะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องงานเรื่องการอย่าเพิ่งไปคิดโน่นคิดนี่นะนะเวลาเราเวลาฟังก็ฟังอย่างเดียวแม้แต่จะไปรู้กาย ขนาดฟังไปด้วยมันก็ยังไม่ถูกนะบางคนก็ฟังไปด้วยนะเจริญสติไปด้วยด้วยการรู้กายที่มือมือที่เคลื่อนไหวนะทำสองอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยจริงเนียถ้าฟังก็ฟังนะด้วยใจเต็มร้อยนะตามนะตามคำบรรยายไปสะดุดตรงไหนก็จะไปติดตรงนั้นนะนะเพราะคําพูดบางประโยชน์ที่เราสะดุดเนี่ยมันเป็นคาพูดที่เป็นอดีตไปแล้ว นะเราก็มีสติอยู่การฟังคืออยู่กับปัจจุบันตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็เก็บเอาไว้ก่อนนะระหว่างที่เราฟังเราก็มีสติการฟังไอการรู้กายนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นรองแต่ถ้าจะเจริญสติก็เจริญสติไปการฟังก็เป็นเรื่องที่หลังนะระหว่างที่เราเจริญสติยกมือคำพูดคำบรรยายก็สักแต่ว่าฟังผ่านๆไปนะไม่ใช่ฟังไปด้วย น ะ, จะเจริญสติรู้กายไปด้วยอันนี้ก็ทีก็สับสนนะให้หลักง่ายๆเนี่ยนะสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆคือทําทีละอย่างนะก็เหมือนกับเวลากินข้าวนะเราก็กินข้าวทีละคําเวลาเดินเราก็เดินทีละก้าวเนะีเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทําทีละอย่างนะมันเป็นหลักง่ายๆนะที่เอามาใช้นะถ้าทําเป็นนิสัยนี่นะ สติเราก็จ ะ, จะเจริญสติเราก็จะไวนะให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะสุขภาพที่ย่ำแย่นะี่ก็เพราะเนี่ยทำหลายอย่างพร้อมกันเวลากินข้าวใจก็นึกไปด้วยนะพอนึกถึงเรื่องงานเรื่องการนะนึกถึงว่าจะต้องมีประชุมนะผมก็จะรีบกินและรีบเคี้ยวพอรีบกินรีบเคี้ยวนะไปนานๆนะทํอยางี้เป็นนิสัยนะร่างกายก็แย่นะ จะมีโรคบางอย่างที่รักษาก็ไม่หายมีคนหนึงเนี่ยแกชอบเคี้ยวข้าวเร็วมากเลยมือหนึ่งกินไม่ถึง5นาทีก็ก็เลิกแล้วเพราะว่ามีงานเยอะนะเวลาที่กินข้าวก็คิดถึงเรื่องงานเป็นผู้หญิงเก่งธุรกิจกิจการดูแลเยอะนะตอนหลังนี่สุขภาพก็แย่งานการก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยราบเพลินเท่าไหร่มีปัญหากับลูกน้องมีปัญหากับลูกชายตอนหลังก็ลองทดลองน ะ, ะเคี่ยวข้าวช้าๆเคียวข้ายช้าลงเวลาเคี้ยวข้าวนี่กินข้าวใจมันก็นึกถึงงานมันก็จะเผลอกินเร็วๆเคี้ยวเร็วๆแต่พอบังคับใจว่าต้องเคี้ยวข้าวช้าๆนะใจมาอยู่มีสมาธิอยู่การเคี้ยวมันก็วางเรื่องงานเรื่องการไปได้ ใส่ใจกับคนที่กินข้าวด้วยอยู่ในร่วมโต๊ะด้วยเช่นลูกชายเริ่มโอภาปาใส่กับลูกชายให้การเคียวข้าวช้าลงบอกว่าไอ้โรคหายใจไม่เต็มไม่เต็มท้องหรือว่าโรคปวดท้องก็หายไปแต่ก่อนกินยามเป็น10ปีก็ไม่หายแต่พอเคียวข้าวช้าลงขณะที่กินข้าวก็นึกถึงการกินข้า่อย่างเดียวทําทีไรอย่าง กินข้าวก็กินข้าวนะเรื่องงานเรื่องการมีมากแค่ไหนวางเอาไว้ก่อนก็พบว่าแม้จะใช้เวลากินข้าวนานขึ้นนะแต่สุขภาพดีขึ้นแล้วก็จิตใจก็เป็นสุขมากขึ้นมีสมีสติมากขึ้นใช้อารมณ์น้อยลงก็เลยวอยไวใส่ลูกน้องนะแต่ก่อนทาบ่อยๆตอนหลังก็ทำน้อยลงนะความสัมพันธ์กับลูกน้องก็ดีขึ้นกระจายงานให้ลูกน้องทา ตัวเองก็มีเวลาว่างมากคือมีเวลาว่างมากขึ้นมากขึ้นก็สามารถพาพ่อแม่สามารถไปเยี่ยมพ่อแม่ได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวนะอะไรก็ดีขึ้นมาหลายอย่างนะเริ่มต้นจากการที่เวลากินข้าวก็กินอย่างเดียวนะไม่ต้องนึกอย่างอื่นแล้วพวิธีที่บงังคับให้กินข้าวอย่างเดียวคือว่าเคี่ยวค้ายให้ชาลงพอเคี่ยวค้าวใ้ชาลงเนี่ยใจยมันก็อยู่กับการกินมากขึ้นให้ทําทีละอย่างที่มันมีอันนิสง์มากนะลองฝึก ให้เป็นกิ จ, จวัตรเป็นนิสัยแล้วจะพบว่ามันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงดีๆห ล, หลายอย่างตามมาแล้วก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะอะาเช้านี้